พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่24มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าวางแผนผังให้ตนเอง หลวงพ่อลงมากรุงเทพตั้งแต่วันที่21นะมิถุนา59นะแล้วก็มาฉันอยู่ที่นี่วันที่22ไม่พบอาจารย์เจริญและก็ไม่พบคุณชายป๋ำเจ้าของวัดไม่อยู่หลวงพ่อก็มาฉันที่นี่วันที่22วันที่พอฉันเสร็จก็ไปตอนเย็นก็ไปที่วัดอโศการาม หลวงพ่อไปแสดงธรรมก็มีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมาหามมนีวงคือคณะธรรมยุทธ์คณะใหญ่ธรรมยุทธ์ทุกองทั่วทั้งกรุงเทพเข้าไปจัดงานวันเกิดของหลวงพ่อทองที่วระอโศกา ร, รามมีการสวดอะพิธรรมร้อยวัน คือวันที่22นก้าสบวันแลาววันที่23ร้อยวันหลวงพอ่อนิมนต์หลวงพอ่อองค์หนึ่งแสดงธรรมแต่ทางคณะทายาโยงเ ข, เขาบอกว่าการแสดงธรรมคราวนี้พระมหาเถระมามากขอหลวงพ่อแสดงธรรมสักประมาณสัก30สหรือส5ห้านาทีหลวงพ่อ็อื้อ응เอาได้ แต่หลวงพ่อช อ, ชอบชอบอยู่แล้วเรื่องแสดงธรรมสั้นๆนะถ้าจะให้พูดยาวๆอ้างเหตุผลโออันนั้นหนักใจพอสมควรแต่ถ้าาแสดงธรรมสั้นๆหลวงพ่อเคยแสดงมาแล้วนะเอาหลวงพ่อพูดอะไรไม่ ไ, มได้มากก็พูดย่อๆก็ได้พวกสั้นๆก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจหลวงพ่อเออเอาตั้งใจฟังอดทนคนเราถ้ามีความ มีขันติมีความอดทนอยู่ในใจประจําใจแล้วอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดถ้าว่าคนไม่มีขันติไม่มีความอดทนอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีอยู่กับใครก็เออไม่ดีทั้งหมดเ อ, อวังหลงพอพูด <laughs> <laughs> เออเอาพูดให้เข้าใจง่ายใช่ไหมละ่ะเออเศษเศษให้เจ้าเข้าใจง่ายหยดหยนะ่อ แต่เมื่อวานท่านเขาไม่ได้พูดถึงอาร์ น, นานท่านให้เวลา 30-35 ถึงนาทีเนี่ยเพราะจะมีพิธีกวัวหลวงพ่อจะพูดไปแล้วลืมตะลึเปิดเปิงตะลงเปิงเปิดนีด่ยหลวงพ่อเอไอได้หลวงพ่อกเชตประมาณสัก10บกวนาทีมั้งยนจ่อเมื่อวานและกัเมื่อคืนที่แล้วกับพักเมื่อคืนก่อนน่นวันที่23 22กับพักที่วัดอโศกา ร, ราม ตอนเช้าฉันจะขันที่วัดโศการามออกไปธุระและก็เมื่อวานก็กลับมาถึงที่นี่ก็ค่ําวันนี้ก็ได้มาพบกับคณะสัตยาติโยมอย่างที่อาจารย์เจริญได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบและก็วันเสราร์ก็คงจะไปฉันอาหารที่จิตโภจนาทาวัดสัตาายาติโจบอยู่ในละแวกนั้นนะไปใกล้ก็ไปร่วมทําบุญด้วยกัน แล้วก็ในช่วงในช่วงในเป็นช่วงเทศกาลจวนจะเข้าพรรษายังไม่ถึงเดือนนะคณศาธาย า, าติโยมทุกท่านปีพรรษา 2,559 นั่นก็จะไหลเลื่อนเข้ามาหาพวกเราแล้วพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่คุณอาจารย์เจริญพูดนะคุณชายป๋มก็อายุ80ปีปีนี้ปีที่ ปีที่แล้วเนี่ยก็น่ยเจ็ดสิบเก้าะปีนี้ก็แปดสิบะปีหน้าก็แปดสิบเอ็ดะไหลไปเรื่อยพวกเราก็เช่นเดียวกันปีที่แล้วหลวงพ่อก็เจ็ดสิบเอ็ดปีนี้กําลังจะเข้าเจ็ดสิบสองไล่ท่นเดินตามหลังคุณชายไปเรืเ่อยๆอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายแต่มันไม่ใช่เลื่อนไหลไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของเรา มันย่นย่อเข้าไปเรื่อยๆแก่เข้าไปๆๆเรื่อยๆแก่เข้าไปอะไรหลวงพ่อก็เคยพูดไปลูกกี่ครั้งกกี่หนแก่ไปหาจุดจบของมันพอร่างกายเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนตอนนั้นจะให้มันจุดไหลไปถึงจุดจบเพียงแค่นั้นเหรอพวกเราไม่ได้คิดวางแผนของตอนเองไว้บ้างเหรอประกอบคุณงามความดีอันนี้แหละคือบอกการวางแผนนี่แหละในช่วงวาง ตอนอื่นเราก็ไม่ก็จะวางยังไงอพอวันมันอยู่ไกลละเกินปีนี้นะปีตั้งแต่วันนี้แหละวันนี้เป็นวันที่24 24มิถุนาพฤธศกราักรอาสพวกเราควรจะตั้งต้นตั้งแต่วันนี้แหละพรรษานี้พรรษาที่จะถึงเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพวกเราควรจะวางแผน ชีวิตของพวกเราเอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าปล่อยปาละเลยมาไม่รู้กี่ปีมาถึงวันนี้แต่ตั้งแต่บัดนี้ไปชีวิตของข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้ารู้แก่ใจว่าอายุของข้าพเจ้าเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเนี่ยว่าข้าพเจ้าอายุ72เข้ามาแล้วอย่างนี้แหละพวกเราก็คงจะรู้จักอายุของตนเองในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะ ประกอบคุณงามความดีสักพรรษาหนึ่งท่านอยู่นอกพรรษาก็ไม่รู้จะตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรแต่ที่เอาเถอะในพรรษาเนี่ยพระเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐานเอาวันใดอันหนึ่งนะควรจะควรจะวางแผนเมานะคะารัสตา ย, ยาจโจมวางแผนวางแปนไว้ เ, เพื่อจะได้เตรียมประกอบคุณงามความดีเขาจะทำความชั่วเขาย่างวางเขาจึางมีแผนนะ เ, เขาจะทำความชั่วเขาจึางมีแผนหลาย ขั้นตอนอย่างเยอะแยะไปหมดแผนหนึ่งแผนสองแผนสาไม่รูว่แผนไหนต่อแผนไหนเขาจะทําความชั่วนะแต่เราจะประกอบคุณงามความดีรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยเราก็ควรจะมีแผนอีกเหมือนกันนะในพรรษาเนี่เอาเถอะวันเข้าพรรษาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดในพรรษาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึง่ง แต่เดี๋ยวที่เรารู้สึกว่าห่างเหินเกินไปมีแต่นับถือพุทธศาสนากับเป็นเพียงตวัด น, นับถือในทะเบียนบ้านต้นเองสําเนาทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านตัเองว่าข้าพ เ, เจ้านับถือศาสนาพุทธแต่การแสดงออกซึ่งกราบไหว้เคารพสักการะปูชาไหว้พระทุกวันทําวัดเช้าเย็นทุกวันข้าพ เ, เจ้ายัางไม่เคยเป็นจิตเจ้ลักษณะ แต่เอาเถอะในพัรษานี้ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันจะไม่ให้ขาดอะไเหล่านี้เป็นต้นนะคือการวางแผนตนตัวเองก็มากกว่านั้นเออในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระหรือทุกวันอาทิตย์ในเมื่อเราไหว้พระจบแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าออพุทธังนโมตัสสะพระคขาวาโต้สามจบกับพุทธัง ธรรมังสังขังดูติยมปีพูดทางธรรมังสังขังตาติยมปีพูดทางธรรมังสังขังและกปานาติปาตาเวรมณีอาทินาธานาเวรมณีกาเมจุมิจสาจาราเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเรมริยะมัชัพมามาตฐานาเวรมณีอิมาเนปัญจาศิขาประธานิสมาธิยามิข้าพรเจ้าจะสมาทานศินห้าในวันนี้จะรักษาศิน ตลอดทั้งวันทั้งคืนในในในวันนี้อันนี้เปลี่ยนเพียงรักษาเท่านั้นอะสมาทานเพียงแค่นี้ก็เป็นสิ่แล้วนะคณะศรัทนธะาญาติโยมไม่จําเป็นจะต้องมารับกับพระทุกครั้งคือเราในพรรษาเนี่ยพอเราจะรักษาศีลจะเป็นรักษาวันอาทิตย์ก็ได้หรือวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรือวันพระก็ได้หรือวันไหนที่เราจะรักษาศีลได้อันนี้ก็ควรจะมีนะ พร้อมกันจากนั้นมาเออพระบินทบาทหน้าบ้านทุกวันเราก็ฉันอาหารเราทานอาหารทุกวันเราควรจะมีทานเพราะในหลักของพระศาสนาท่านว่าให้ทําทานด้วยนะอย่างไงก็ทํำทานให้นกหนูปูปีกทำให้ทำบุญทําทานให้กับกับสมณะอย่างไรกับกบูบาบบชาผ้าเหลืองอผ้ากาสาวพัดของพระพุทธเจ้า ในโบราณเขาบอกว่าขนาดผ้า น, น้อยๆห้อยหูก็ยังเป็นพระต่อไปภายภาคหน้าเนี่ย เ, เกินสองฝันห้ารกว่าปีไปแล้วนะผ้า น, น้อยห้อยหูก็ยังว่าเป็นพระนะเพราะฉะนั้นผ้ายังยังคลองผ้าพื้นบักใหญ่อยู่เราคนนับถือว่านี่คือผ้ากาสาวะผ้ากาส า, าวะพัดของพระพุทธเจ้าเราก็บูชาผ้ากาสาวะพัดนะแล้วก็ เราก็เลือกไม่ได้อีกว่าองค์นี้เป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีลแต่ทิ้งยังไงเราก็บูชาไว้ก่อนถ้าเมื่อเรารู้ว่าองค์ไหนไม่มีศีลเราก็ไม่ควรจะทำํำองค์นั้นพอเรารู้แล้วว่าองค์นี้ไม่มีศีล น, นะไม่มีศีรษะวัตดถ้าหากว่าเราไปส่งเสริมเข้าไปก็เหมือนกับเราส่งเสริมโจรห0าร้นศาสนาให้สั้นเข้าไปอีกอันนี้ถ้าเรารู้นะเรารู้แก่ใจว่าชัดเจนเราก็ไม่ควรจะส่งเสริม ความชั่วของผู้กระทําความชั่วนั้นอันนี้คือหลักของพุทธะ ใ, ให้พวกเราไม่ใช่ว่าศรัทธาความเชื่ อ, อทําไปดา่าตนหลับหูหลับตาก็ไม่ใช่จะปฏิเสธทุกอย่างทุกอย่างอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันถ้าหากว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นพระจะอยู่ดํารงทรงศาสนาได้อย่างไรอย่างน้อยทางก่อนเนี่ยผู้ดารงทรงศาสนาผู้มีฮิลิอุตปะผู้มี ความละอายต่อบาปยังมีอยู่ในพษษุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะชั่วช้าเสียหายไปทั้งหมดไม่ใช่ให้พวกเราเลือกให้เลือกเลือกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคือนี่คือการทําบุญทําทานหลวงพ่อเองไม่ไม่ไม่บอกนะบอกว่าไม่ควรทําบุญทําทานหลวงพ่อให้บุญให้ทําบุญทําทานแต่ให้เลือกเลือกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เลือกทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ใช่ว่าให้เลือกมาทำบุญกับหลวงพ่ออินเนอะหลวงพ่อก็ไม่พูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าท่านหลวงพ่ออินตายไปแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็หมดหลวงพ่อไม่ไม่แนะนําอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราทําบุญทําทานกับสามณะกรูบาลยานพระสงฆ์ผู้ทรงศีลอันนี้คือทานเมื่อเราทานแล้วเราเมื่อเราทําบุญทําทานเราใจสบายนะคณะาสาัตยาญาณโยม แล้วก็จอดท่านก็รักษาศีลให้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าหรือรักษาศีลอุโบสถแต่หาว่าผู้ใดทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นข้าพเจ้าจะงดอาบายจมุกไม่ดื่มสุราไม่ดื่มไม่กินเหล้าตลอดไรมาตสามเดือนเอาเถอะข้าพเจ้ากินมาปลาปลายแล้วข้าพเจ้าติดมาแล้วข้าพเจ้าจะงดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันได้ยินเสียงนี่ข้าพเจ้าจะพยายามเพลาลง แต่พอในพรรษาเข้าไเจ้าจะงดโดยเด็ดขาด น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือเราวางแผนชีวิตวางแปนวางแปนวางแ ผ, น, งแผนชีวิตของพวกเราที่จะประกอบคุณงามความดีจากนั้นจากนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็จะกัดออกไปทีละน้อยละน้อยอในกายวาจาของเราในใจของเราจากนั้นก็มีแต่คุณงามความดีในเมื่อมีคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจแล้วนะันเราเระลึกถึงเมื่ อ, อไร จิต ใ, ใจของเราก็สบายนะขันธ์สัตยายา่าโฉมนะระลึลกขึ้นเมื่อไหร่เออใจของเราประกอบคุณงามวิเดรักเข้าไปเจ้าตั้งต้นใหม่ในช่วงนั้นเดือนนั้นปีนี้นะระลึลกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็พูดเรื่องเราจะไม่พูดเราก็อยู่ในอยู่ในใจิตใจของเรามีแต่ความสุขกายสุขใจนี่แหละอันนี้ก็คือการสังสมคุณคุณงามความดีการสังสมบุญกุศลเพราะในหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว ควบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราศึกษาบังเทนนะศึกษาบางังดูทุกองค์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสามาครูบาอาจารย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ต่างๆหลวงตาของเราท่านยืนยันทั้งนั้นว่าตายแล้วไม่สูญนะพวกเราน ะ, ะให้ประกอบคุณงามความดีนะถ้าพวกเราอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์ให้นั่งภาวนาไม่มีอย่างอื่นที่จะพิสูจน์เรื่องตายแล้วเกิดตั้งตายแล้วสูญได้ ถ้านั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับกายกายกับใจใจกับกายใ จ, ยใจยที่จะพาไปเกิดท่านจึงให้ความสำคัญว่ามนโนปุพังมโนปุพังขมาธรมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ใจนั่นแหละจะพาไปเกิดในพบภูมิต่างๆใจนั่นแหละจะเป็นผู้รับบุญรับกุศลรับบาปอบกุศลไม่ใช่อื่นไกลเนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนำคณาจ า, า, า, ย า, ารย์โยมทุกท่า น, นะในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรจะวางแปลนวางแผนแผงชีวิตของพวกเราเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรที่พวกเราทำมาสเปะสปะไม่รู้อะไรตัไม่อะไระปัจจุบันนี้เอาเถอะ เข้าไปเจ้าจะตั้งต้นใหม่จะประกอบพุนงามความดีสิ่งนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีเสียเวลำเวลานะเราจะตักออกทิ้งเราไม่เอาละแล้วก็พร้อมก่อนให้ลึกระลึกไว้อยู่เสมอนะอีกชักวันหรืไม่ไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตของเราจะต้องทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่เมื่อทิ้งลงไปแล้วนะร่างกายตายลงไปแล้วนะเราเป็นที่อุ่นใจหรือยัง คุณงามความดีในใจของเรามีพร้อมหรือยังอุ่นใจหรือย่างในเมื่อเราจะเดินไปในภพภูมิต่างๆพบพบหน้าชาติหน้าเราอุ่นใจหรือย่างถ้าเรายังไม่อุ่นใจเราควรจะประกอบน ะ, ะประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาสังสมสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเราะเราเกิดมาในเกิดมาภพนี้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้พบคุณงามความดีแล้วนะพวกเราควรจะประกอบเดินไปในทางทางที่ดีแต่หลวงพ่อมาวันแรกนะมาวันแรกมาที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อก็ได้ปารบเรื่องวัดวัดท่านจันนะวัดเจ้าคุณจันวัดการชนบุรีนะที่ท่านเลี้ยงเสือเสือก็ก็ออกไปแล้วละแล้วก็ใครผิดใครถูกเราไม่สนใจเราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก รัฐบาลผิดป่าไม้ผิดหลวงตาจันทร์ผิดเราไม่ว่านแต่หลวพ่อให้เน้นไปดูที่สัตว์ที่วัดหลวงตาจันทร์มีหมูป่าเป็นพันกว่าตัวแล้วกวางอีกอหลายร้อยตัวทั้งบัวทั้งควายทั้งมา้าอยู่ในนั้นยุ่ยเย้ยไปหมดแต่ทางรัฐบาลทางป่าไม้เขว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทางหลายห้ามเคลื่อนย้ายแต่พ่อห้ามเคลื่อนย้าย เรื่องอาหารของสัตว์นั้นทางปา่าไม้จะดูแลเองห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ถ้ารับอย่างนั้นมันก็ดีใช่ไหมล่ะอัเนี่ยแปล ว, ว่าห้ามเคลื่อนย้ายแต่เนี่ยมันเคลื่อนย้ายสัตว์มันกินข้าวเนยมันไม่ไม่ใช่มันไม่เหมือนรถนะีห้ามเคลื่อนย้ายรถเนี่ยไปจอดไว้เฉยเฉยมันก็ไม่เป็นไรเพราะมันมัก็ไม่กินน้ํามันใช่ไหมละ่ะแต่ที่ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เดี๋ยคิดดูซิพวกเราหลับตาคิดดูสิมันถูกไหม จากนั้นกันาป่าไม้จะทำยังไงสัตว์ในวัดของเรตาจารย์ทั้ง3ามพันกว่าหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อให้ไปดูดูที่มันจริงไหมโยมเข้าไปดูโอ้พอเปิดประตูเข้าไปเลยขับรถเข้าไปไม่รู้ว่มาม้าไม่รูว้ว่าวัวควายหมูเก้งวงังวิ่งตามหลังรถเป็นพรวดเลยเพราะมันเคยได้กินใช่ไหมทั้งร้องอีกต่างหาเพราะมันหิวจ้านี่แหละหลวงพ่อก็เลยได้พูดกับคณะัตาญาโจม วันที่22ตอนเช้านะแต่ก็มีผู้มีศรัทธาแล้วนะประทังชีวิตไปหลวงพ่อนิยินะเออสบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งคือเสียต้อมขอให้เข้าไปประมาณร0 0ยกระสอบนะรยกระสอบ50กิโลและเสียสมบัติเชิดเลิศมุทินันที่ถวายปัจจัยเจดียกองหลงตาที่ร้อยล้านนะท่านก็ให้ไป240กระสอบนะข้าปลายนะมาใจเข้าเข้า เข้าสารดีลรืเข้าปลายเข้าหักนะแล้วก็เมื่อวานวันนั้นหลวงพ่อเออเต้าแก่อาเซียที่นครปฐมที่เคยเคยเคยเป็นประธานหอการชี้เกนประธานโรงสีนะท่านหลวงพ่อครับผมจะถวายอีกนะข้าวหลวงพ่อเออท่านก็ถวายมาอีกประมาณ3ถ้าคิดเป็น50กิโลกับ300กว่า300กว่ากระสอบ หลวงพอ่อองคงจะประทังไปได้ประมาณสักสมเดือนสำหรับค่าสำหรับ อ, อาหารของหมูนะแต่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่ามันสัตว์มันเยอะเหลือเกินแต่ถึงยังไงเราไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงตลอดไปไม่ใช่เราคือประทงังคล้ายๆว่าเดียวนี่มันควันตลบอยู่บ้านแตกสาแหลกขาดนะพูดง่ายๆท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ยูวัดแล้วก็พระเ น, นอยูที่นั่นดีในทั้งศรัทธาญาโจม ลูกหลานที่เคยเลี้ยงเสือเกิดกระจุยกระจายไปคนอาทิตย์ตาทางแต่สัตว์นั่นที่มันอยู่ในนั้นแหละและ้วก็หน้าวิตเนิ่นสลดใจก็คือเน่ยองหลวงตาเนี่ยมอบเสือให้มอบกวางให้อาจารย์จันทร์หลวงเจ้าคุณจันเนี่ยเมื่อหลวงตายังมีชีวิตอยู่เออเอาท่านจันทเออกไปเลี้ยงหน่อยนะเขาเอากวางมาให้เราเนี่ยคงมาจากการชนะมัง่งแต่ว่าท่านจันท่านบอกว่าหลวงตามอบให้เนี่ย แต่ปูเหลิมระบบปูเหลิมเป็นผู้มอบให้แต่บาคนจะคนละชดกันก็ไม่ทราบท่านจันท์บอกว่าหนังสือของหลวงตาผมยังทาตีกรอบไว้อยู่ทําเป็นกรอบไว้อยู่ว่าหลวงตามอบเสือให้จดหมายฉบับนั้นยังมียังมีอยู่เดี๋ยวนี้ท่านมอบให้ผ ม, ผมกวางผมก็เลี้ยงไว้เดี๋ยวนี้กวางจํานวนนั้นขายายพันธุ์ออกแม่แพ้ลูกออกมา กว่างั้งห้าหกร้อยตัวจ้เนี่ยกว่างของหลวงตาที่มอบให้ถึงปูเหลือมอบให้นี่แหละเออหลวงพ่อกับหลวงหลวงตาท่านก็มอบให้ลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเหมือนกันที่ท่านมอบให้ว่าพวกเราเป็นลกูกหลานของหลวงตาไม่ช่วยช่ยกันคิดบ้างเหรอเนี่ยนี่เราหลวพ่อก็ในเดทบอกกล่าวเมื่อวานนี่แต่ก็ได้พูดไปเมื่อวานแต่วันวันวั น, วนก่อนน่ะได้เสียต้อมเมื่วา สุทธาญาติโยมรวบรวมได้ปัจจัยส0 0 0 0ืนกว่าบาทนะวันนั้นนะแต่เมื่อเงินสี่0 0นกว่าบาทหลวงพ่อก็บอกเออเราจะมอบให้คงพ่อก็เลยบอกว่าในความเห็นหลวงพ่อนะ่หลวงพ่ออยากจะให้เปิดเป็นบัญชีไว้คือให้อาจารย์เจริญเนี่ยแหละแต่ถ้าให้คุณใช้ปป๋มก็เป็นภาระของท่านท่านอายุมากแล้วเออมันไม่ครองแล้วให้อาจารย์เจริญ อ, อ่เป็นเบอร์หนึ่ง เ, เสียต่อมเป็นเบอร์สอง อแล้วก็ให้เสียทีอบุญทีนเป็นเบอร์สามศรัทธายาจงโยมเป็นสามคนแล้วก็ลูกพงเ้าพระเ้าอีกวันนั้นก็มาฉันจังหันตอนเช้าหลวงพ่อก็มองไม่เห็นใครท่าว่านย่างวันนี้หลวงจะมอบให้ปู่เลิมกุเอจิรวัตะแต่ในวันนั้นเห็นแต่ว่าหลวงพ่อสามนี่นับจากองค์ที่หลวงพ่อองค์ปู่เลิมมัสยิด มีที่สี่นะองค์ที่หนะนะ อ, อาจารย์หลวงพ่อสามองหลวงหลวงพ่อบำรลงหลวงพ่อสักนะหลวงพ่อเออเอาสามองค์นี้นะให้เป็นผู้ดูแลเปิดบัญชีขึ้นมาให้ดูแลปรึกษากันว่าควรจะใช้จ่ายยังไงควรจะให้อาหารคนยังไงควรจะดูแลคนยังไงในสมเดือนเนี่ยควรจะเลี้ยงทั้งคนทั้งสัตว์นัะนะ่นแหะเพราะบ้านแตกสาแลขาด เรื่องผิดเรื่องถูกเรายังไม่ว่ากันเราจะทำยังไงจะไปหาโอ้ยเคียวว่าใครผิดใครถูกเนือสัตว์ต้องตาย เ, เราก็ยังไงจ้อพี่น้องกันต้องเลี้ยงกันก่อนดูแลกันก่อนให้การสนับสนุนกันไปก่อนออต่อไปภายภาคหน้าถ้าฮาวาลหลวงตาจารย์จะเอาหมูออกไปหรือจะ อ, อะไรออกไปแต่หลวงพ่อก็ะทำถามแล้วทำถามเกินๆดูแต่หมูคงอออกไปผมมากคงจะให้ประกาศให้คนแถวนั้นล่ะ เอาไปเลี้ยงให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ห้ามฆ่าห้ามฆ่าห้ามซื้อห้ามขายถ้าใครรับไปได้เรารับไปให้ถือเป็นเอาถือเป็น <c oughs> พ่อพันธุแม่พันธุ์ของหมูหมูป่าแต่แต่ส่วนกวางเนี่ยผมจะต้องเอาไว้เพราะว่าเป็นกวางของหลวงตาที่มอบให้ผมเอผมจะต้องเอเคารพในสัตว์ของหลวงตาที่มอบให้อันนี้ก็คือเป็นทางด้านจิตใจแล้วก็ไม่ว่ากันนะเอแต่ส่วนสัดอื่นนั้น ท่านว่าคงจะออกไปอันนี้เราเขาไม่กล้าก้าวไกลท่านเหมือนกันนะหัวนั้นขอฝากไว้กับคณะัดสิญาติโยมทุกท่านให้ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะเขาอายัดว่าห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์แต่เขาก็ไม่ได้ให้อาหารเรื่องอาหารพวกเราจะดูแลด้วยเราจะช่วยทางป่าไม้ทางรัฐบาลจะให้ค่าอาหารด้วยขณะที่ยะห้ามเคลื่อนย้ายเขาก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นอีกจ้ะ กับวัดจะทํำยังไงวัดกอบบล็อ ก, บ, อกอบัญชีก็ไม่มีจะแล้วนี่แหละอันนี้ก็น่าคิดแล้วก็วันพรุ่งนี้นะถ้าเป็นไปได้นะวันทอดผ้าป่าเนยะหลวงพ่อก็จะจะปรึกษากับคุณชายเหมือนกันนะอาจารย์จเจริญคนะณะกรรมการเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้เราจะขอบแบก mm hmm. เงินผ้าป่าให้เพื่อจะเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสัตว์วัดทันจันทร์ได้ไหม ทางว่าเห็นพร้องต้องกันมันก็น่าจะได้เพรามเป็นวัดหลวงหลวงตาใช่ไหมล่ะคณะโค โ, รโลราโดแล้วก็ยังให้ไปได้อันนี้วัดหลงตาอาจารยเราจะแบ่งไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วก็ไม่ให้มันรั่วมันไหลแล้วจะตุปัจจัยเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อทรัพยสัตว์ยิ่งหลวงตาทวารหลวงตาจะมีชีวิตอยู่หลงพ่อเนีมั่นใจเหลือเกนะินหลวงตาออกมากลางปีกปกป้องทันทีแหละให้ใครเข้ามา ทำไมมันไม่ผิดมันตะกอนมันทําไมไม่ผิดเออมันทําไมมาผิดเดี๋ยวนี้หลวงตาก็จะว่านะแต่หลวงพ่อก็ไม่กล้าที่จะพูดแนวความเห็นของหลวงตาเพราะหลวงตาเป็นผู้มีธรรมในจิตในใจเป็นผู้มีเมตตาแต่ถึงอย่างไงหลวงตาจุตินิพพ า, านไปแล้วเนาะพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนตั้งหลายก็ควรจะมองมองช่วยๆกันนะหลวงพ่อว่านะแต่อาหารก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะจะประเภทข้าวนะียก็ คนเข้าไป ส, ม, สมรถแล้วนะนะก็คิดว่าน่าจะประทังไปได้ในช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าอาหารของคนเท่านั้นจอะอาหารของคนบ้างแล้วก็พวกฟางาพวกหญ้ากเกษตรพวกวางมันไม่ใช่แต่กินแต่ข้าวเนี่มันกินพวก เ, เป็นกินพวกหญ้าพวกฟางพวกอะไรเนะี่ยอันนี้เราควรจะขนเข้าไปเหมือนกันเพราะนั้นผู้ใดหลวงพ่อประกาศว่าผู้ใดอยู่ในแถบ การจ้น้ บ, บุรีก็ดีนคนปรปผมก็ดีราชบุรีก็ดีในแถบนี้นะในระนาบนี้นะอขอให้เมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อไปแล้วก็ขอให้ช่วยๆกันไปดูแล้วก็บอกกล่าวผู้ที่รู้จักมรคุ้นถ้าเป็นไปได้ก็นะนะั่นอยากจะให้ไปช่วยๆเรื่องพวกญ้าตนะิพวกญ้าติเกษตรพวกฟางวนะ่านั่นขนขนเข้าไปให้พวกวางพวกวัวพวกค ว, ว, ว, ว, วายพวกม้ากินอ เพื่อเลี้ยงพวกสัตว์ประทังชีวิตไว้ก่อนส่วนที่เรื่องผิดเรื่องถูกนั่นนะ่ะอันนั้นเราไม่เข้าไปยุ่งนะให้เป็นทางรัฐบาลเขาว่ากันไปตามกฎ ก, ฎกติกาของบ้านเมืองไปซัก เ, เราแต่เพียงแต่ว่าเราไปช่วยสับปะสัตว์คณะลักนักธาญาติโยมอาตอนไปหลบภพพูดเรื่องอวางแผนวางแผนชีวิตแต่ละท่าน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาควรจะวางอย่างไงเจ้วนั้นก็ทะเลทะลาออกมาพูดถึงวัดเสืออีกต่างหากนะอันนี้ก็มันเกี่ยวข้องกันเพราะว่าวัดหลวงตาวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังแต่ชื่อว่าวัดหลวงตามหาบัวยนะสัมปนโนวัดหลวงตาบัวนะไม่ใช่หลวงตาก็เป็นของใครเป็นของพวกเราที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้น พวกเราควรจะมองช่วยๆกันนั่นะให้มองจุดไหนที่พอเราจะช่วยเหลือกันได้นะไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้เล่าได้กล่าวให้พวกเราคณะทาญาติโยทั้งหลายเอรับฟูรับทราบร่วมกันมันทุกมันก็ต้องทุก้วยกันมันสุขมันก็ต้องสุขด้วยกันนะเพราะมันอยู่ในในสิทธยางในสิทขององค์หลวงตานะถ้าตอนนี้ไปพระ พระสงฆ์จะอนุ โ, โมทนาให้พรรับพรในตอนนี้นะ